มงคลทีปนีแปลโดยอัดข้อที่สาสิบเเพราะเหตุนั้นบุคคลควรครอบพวกบัณดิตเท่านั้นไม่ควรครอบพวกคุผพานโชวประโยคไม่ใช่ไม่ควรครอบพวกคุผ่าน ค, ควรครอ บ, บพวกบัณดิตอย่างเดียวเท่านั้นจุลภาคที่แท้บุคคลทำบุญอะไรอะไรแล้วควรทำความปรารถนาแม้ว่าด้วยบุญนี้ ขอข้าพเจ้าพึงพบพวกบัณฑิตเท่านั้นจุลภาคไม่พึงพบพวกคนผานดังนี้เหมือนอากิติบัณฑิตฉะ น, นั้นจบประโยคดังได้สดับมาอากิติบัณฑิตนั้นเป็นบุตรของพระรามหาสารผู้มีสมบัติ80โกดในกรุงพารณนสีเมื่อบิดามารดาตายแล้วจุลภาคได้สละสมบัติทั้งปวง บวดเป็นฤาษีถึงกะปิละรัฐโดยลำดับอยู่ในสวนใกล้กะปิละรัฐยังฌานและอภิญญาให้บังเกิดแล้วเหาะมาทางอากาศลงที่เกาะไม้หมากเม่าใกล้เกาะไม้กากระถิงอาศัยต้นหมากเม่าใหญ่แล้วสร้างบรรณสาราอยู่ที่เกาะนั้นโจประโยคท่านไม่ได้ไปในที่ไหนเลย เราเป็นผู้มักน้อยในการที่ต้นไม้นั้นมีผลก็ฉันผลในการมีแต่ใบก็ฉันใบที่นึ่งด้วยน้ำาจบประโยคอาสนะของเท้าสกัเดือดร้อนเพราะเดชศีลของท่านจบประโยคเท้าสกัทรงทราบเหตุนั้นแล้วทรงแปลงเพศเป็นพรามได้เสด็จไปยืนทำเป็นเหมือนขออยู่ในที่นั้นจบประโยค พระดาบทหนึ่งใบหมักเมาปลงลงแล้วนั่งที่ประตูบารรณศาลาด้วยตั้งใจว่าเราจักฉันใบหมักเมาที่เย็นแล้วเห็นพรามนั้นถึงความสมนัสใส่งเล็เปิดใบหมักเมาวงลปิดลงในภาชนะพิกษาของพรามนั้นไม่เหลือไว้สำหรับตนเลยไม่นึ่งใหม่ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยสุข อันเกิดแต่ปิติเท่านั้นจประโยคแม้เท้าส ก, กะส่งรับใบหมากเม่านั้นแล้วเสด็จไปหน่อยหนึ่งก็หายไปจประโยคเท้าส ก, กะเสด็จไปโดยอุบายนั้นนั่นแลสิ้นสามวันจประโยคแม้ประดาบทก็ให้อาหารทั้งหมดแก่เท้าเธอสิ้นทั้งสามวันตนเองได้อดอาหารแล้วจประโยค ต่อมาในวันที่สามข่าวส ก, กะทรงเลื่อมใสแต่ประธานพรแก่ท่านจบประโยคพระดาบทนั้นเมื่อจะรับพรจึงกล่าวคะถานี้ในอิติชาดกเตระสะนิบาทว่าข้อที่40สขอข้าพเจ้ายาพึงได้เห็นอย่าพึงได้ยินคนพานอยาพึงอยู่ร่วมกับคนพาน อย่าพึงทำและอย่าพึงพอใจการเจรจาปราศัยกับคนพาลชจประโยคบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าณสุนเนความว่าอย่าพึงได้ยินด้วยหูเหล่านี้แม้ว่าคนพาลอยู่ในที่ชื่อโน้จ้าประโยคนท้าวสะก่าทรงสดับย์คำนั้นแล้วเมื่อจะตรัสถามถึงเหตุ ในเพราะการไม่ต้องการพบเห็นคนพานกับพระดาบทนั้นจึงตรัสคถานี้ว่าท่านกษปะริย์คนพานได้ทําอะไรต่อท่านหนอขอท่านจงบอกเหตุจุลภาคท่านกษปะเพราะอะไรท่านจึงไม่ต้องการพบเห็นคนพานจ้ประโยคบรรดาบทเหล่านั้นหลายบทว่ากิงนุเตอากรังความว่า มารดาหรือบิดาของท่านถูกคนพาลฆ่าจุลภาคก็หรือว่าคนพาลได้ทําความเสียหายชื่ออะไรอื่นแก่ท่านจดประโยคพระดาบทนั้นเมื่อจะทูลเหตุแต่เท้าสากะนั้นจึงทูลว่าคนพาลมีปัญญาสามย่อมแนะนําสิ่งที่ไม่ควรแนะนําจุลภาคย่อมชักชวนในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระจุลภาค การแนะนําผิดเป็นความดีวงเล็บเปิดของคนพาลวงเล็บปิดจุลภาคคนพาลแม้ผู้อื่นพูดดีด้วยก็กลับโกรธจุลภาคเขาไม่รู้จักวินยัยวงเล็บเปิดเพราะเหตุนั้นวงเล็บปิดการไม่พบคนพาล น, นั้นเสียเลยจึงเป็นความดีช่วประโยคบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่า อณยังนะยะตีความว่าคนผ่านย่อมถือสิ่งที่ไม่ใช่เหตุว่าเป็นเหตุคือคิดแต่กรรมอันไรประโยชน์ทั้งหลายเห็นป่านนี้ว่าเราจะทำอกุศุลกรรมทั้งหลายมีป้านติบาตเป็นต้นแล้วเลี้ยงชีวิตจ้ประโยคบทว่าอทุระยังความว่าไม่ประกอบในศรัทธาธุระศีลธุระ และปัญญาธุระยอมชักชวนในสิ่งที่ไม่ควรประกอบจบประโยคบทว่าทุนนิโยความว่าการแนะนำผิดเท่านั้นเป็นความดีของคนผ่านนั้นจประโยคคนผ่านนั้นย่อมถือเอาอย่างนี้ว่าการสมาทานพระพุทิกรรมคือโทษเครื่องทุศีลทั้งห้าประการเท่านั้นเป็นความดีจประโยคอีกอย่างหนึ่ง คนผ่านนั้นเป็นผู้ที่แนะนำได้ยากคือเป็นผู้ที่ใครๆไม่สามารถเพื่อจะแนะนาในข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลได้โบประโยคบทว่าสัมมาได้แก่แม้ถูกผู้อื่นว่ากล่าวแล้วโดยเหตุคือโดยการโจประโยคบทว่าวินัยยังความว่าคนผ่านนั้นไม่รู้จักวินยัยคือมารยาท เป็นต้นว่าพึงก้าวไปข้างหน้าอย่างนี้และไม่ยอมรับโอาวาทจบประโยคสองบทว่าสาธุตัสสะความว่าเพราะเหตุเหล่านั้นการไม่พบเห็นคนผ่านนั่นแหลจึงเป็นความดีจบประโยคพระดาบทเมื่อจะรับพรข้ออื่นอีกจึงกล่าวว่าขอข้าพเจ้าพึงพบเห็นบัณฑิตพึงได้ยินบัณฑิต พึงอยู่ร่วมกับบัณฑิตพึงทำการเจรจาปราสัยนั้นกับบัณฑิตและพอใจการเจรจาปราสัยนั้นโจประโยคกท้าวส ก, กัตรัสถามว่าท่านกระสปะบัณฑิตได้ทำอะไรแก่ท่านหนอขอท่านจงบอกเหตุจุลภาคท่านกระสปะเพราะเหตุไรท่านจึงปรารถนาการพบบัณฑิตโจประโยคกพระดาบด ต, ตอบว่า บันฑิตย่อมไม่แนะนำสิ่งที่ไม่ควรแนะนำชุลภาคไม่ประกอบในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระชุลภาพการแนะนำดีเป็นความดีวงเล็บเปิดของบัณฑิตนั้นวงเล็บปิดจุลภาคบันฑิตนั้นอันผู้อื่นกล่าวโดยชอบย่อมไม่โกรธจุลภาคท่านรู้อุบายสำหรับแนะนำจุลภาคการสมาคมกับบันฑิตนั้นจัดเป็นความดี ช่ประโยคข้อที่41แท้จริงการพบบัณฑิตก็เป็นสุขจุลภาคส่วนการพบคนพาลเป็นทุกข์จุลภาคพระเหตุนั้นในส ก, กัเทวินทะวัตถุพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าการพบพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นความดีจุลภาคการอยู่ร่วมกับพระอริยะทั้งหลายเป็นสุขทุกเมื่อ จุลภาคบุคคลพึงเป็นผู้มีความสุขเป็นนิสได้จริงๆก็เพราะการไม่พบผู้คนผ่านจ้ประโยคเบิดาบทเหล่านั้นบทว่าอริยานางเป็นต้นความว่าภิกษุทั้งหลายการพบสัตว์บุษรทั้งหลายคือบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นความดีคือยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แก่เป็นความงาม จุลภาคอธิบายว่าเป็นความสุขจดประโยคมิใช่การพบพระอริยะเท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นเป็นความดีจุลภาคที่แท้แม้ภาวะมีการนั่งเป็นต้นในที่แห่งเดียวกับพระอริยะเหล่านั้นก็เป็นความดีเหมือนกันพระเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสันนิวาสโสเป็นต้นจบประโยค บทว่าอาทัศนีนะคือเพราะเหตุแห่งการไม่พบจบประโยคบทว่าสุขีคือบุคคลพูดถึงความสุขจบประโยคป้าถะว่าสุขขังดังนี้ก็มีข้อที่42แท้จริงบุคคลผู้มักพบคนผ่านตามตามคำของคนผ่าน ย่อมประสบทุกขุลาคส่วนบุคคลผู้มักพบบัณฑิตทำตามคำของบัณฑิตย่อมประสบสุขชบประโยคกก็ในข้อนี้มีวิพันติกะภิกษุเป็นอุทาหนโจประโยคกเรื่องวิพันติกะภิกษุดังได้สดับมาภิกษุนั้นเป็นสัตธิวิหาริกของพระมหากะระสปฐถระ เป็นผู้ได้จะตุทะชาญเห็นรูปารมอันเป็นข้าศึกในเรือนแห่งลุงของตนแล้วมีจิตปูกพันในรูปารมอันเป็นข้าศึกนั้นศึกแล้วถูกนําออกจากเรือนเพราะเป็นคนเกียจคร้านเชื่อคําของพวกบาปมิตรเที่ยวเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยโจรกรรมโจประโยควันหนึ่งเขาถูกพวกราชบรุษจับได้มัดแขน ไล่หลังไว้มั่นแล้วจึงเอาหวายเขี้ยนคราวรสีคราวรสีนำไปสู่ตแรงแกงทางประตูด้านทิศษินแห่งกรุงราชฤกษ์โจประโยควันนั้นพระมหากัสริเข้าไปสู่พระนครเพื่อบินธบาตเห็นเขาแล้วขอให้พวกราชบุรุษคลายเชือกมัดให้หย่อนแล้วกล่าวว่าจเจ้าจงนึกถึงกรรมฐาน ที่จะาอบรมไว้ในการก่อนอีกจ้ประโยคเขารับคําพระเถรละแล้วยังจะตุทะชานให้บังเกิดอีกถูกราชบรุษเหล่านั้นนําไปสู่ตะแลงแกงแล้วให้นอนหงายบนหลาวก็ดีถูกคูด้วยอาวุธทั้งหลายก็ดีก็ไม่กลัวจ้ประโยคพวกราชบรุษเห็นเขาไม่กลัวจึงกราบทูลแด่พระเจ้าพิมพิสารจ้ประโยค พระราชารับสั่งว่าพวกท่านจงปล่อยมันไปแล้วเสด็จไปสู่พระเวรุวันกราบทูลแ ด, พด่พระบรมศาสดาจดประโยคพระบรมศาสดาประทับนั่งในเวรุวันทรงแผ่พระรศมีไปแสดงธรรมแก่เขาจดประโยคเขาฟังเทศนาแล้วนั่งอยู่บนปลายหลาวนั่นแลพิจารณาสังขารยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ เป็นโสดาบันไปสู่สำนักพระบรมศาสดาทางเวหาบวชแล้วบรรลุพระอรหันต์ในถ้ำกลางบริษัทพร้อมทั้งพระราชานั่นเองดังนี้แลโจบประโยคเรื่องวิพันติกะภิกษุในตัณหาวกักแห่งพระธรรมบทจบจบประโยคข้อที่43อีกอย่างหนึ่งคน่านทั้งหลาย ยอมอย่างตนและหมู่ชนผู้ทําตามคําของตนให้ผินดน่าเพราะสิ่งที่ตนถือเอาชั่วเหมือนบาปชนทั้งหลายมีพระเทวทัตเป็นตนฉะนั้นโจทยประโยคเรื่องพระเทวทัตดังได้สดับมาพระเทวทัตบวชตามพระบรมศาสดาเป็นผู้ได้อริษอย่างผุ้ถุชนต่อมาภายหลังได้เป็นผู้มีลาภสการะอันพระเจ้าอิอชาสตรูทรงธรรม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 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชราแก่เท่าแล้วขอจงทรงขนไถ่น้อยตามประกอบทิฏฐ ธ, ธรรมสุขขวิหารเถิดจุลภาคข้าพระองค์จะปกครองภิกษุสงฆ์จุลภาคขอพระองค์จงทรงมออภิกษุสงฆ์แก่ข้าพระองค์เถิดดังนี้แล้วถูกพระบรมศสาสดาทรงรุกรานด้วยวาทะว่าผู้กลืนกินน้ำลายแล้วทรงห้ามเสีย จึงไม่พอใจผูกอ่าคาตในพระบรมศาสดาแล้วหลีกไปจจประโยคในการต่อมาพระเทวทัตนั้นคบคิดกับพระเจ้าอชาติสตรูส่งพวกนายขมังธนูไปเพื่อจะปลงพระชน์พระบรมศาสดาเมื่อนายขมังธนูเหล่านั้นบรรลุโซดาปฏิผลแล้วกลับมาจุลภาคจึงขึ้นภูเขาคิชกูดเอง กลิ้งศิลาทำกรรมคือยังพระโลหิตให้ห่อแล้วให้ปล่อยช้างนาราคีรีเพื่อปลงพระชนพระบรมศาสดานั่นแหละอีกก็ไม่อาจจะให้พระบรมศาสดาสิ้นพระชนได้จ้ประโยคตั้งแต่นั้นมาเธอมีลาบสการะเสื่อมพระสงฆ์จะเลี้ยงชีวิตด้วยความหลอกลวงจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลขอวัตถุหประการว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข่าพระองค์ขอประทานวรโรกาสภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดจุลภาคถือเที่ยวบินบาตเป็นวัดจุลภาคถือผ้าวังสกุลเป็นวัดจุลภาคถือการอยู่คนไม้เป็นวัดจุลภาคไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตจบประโยชน์พระบรมศาสดาไม่ทรงอนุญาต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 ในวันอุโบสถนั่งร่วมกับบริษัทของตนแล้วกล่าวว่าในเล็กไหนวัตถุทั้งห้าประการนี้ควรแก่ภิกษุรูปใดชุลภาคขอภิกษุรูปนั้นจงจับสลากปิดเล็กไหนเมื่อภิกษุห0 0รูปผู้ไม่ฉลาดในธรรมวินยัยพากันจับสลากแล้วจึงทำลายส่งแล้วไปสู่ขยาศีสาวิหารโชประโยค ตั้งแต่นั้นมาพระเทวทัตนั้นเป็นผู้อ า, าพาตตลอดเก้าเดือนประสงค์จะเฝ้าพระบรมศาสด า, ศ า, ศาถูกพวกสาวกของตนใช้เตียงหามนำไปสู่กรุงสาวัตถีถึงขอบสาบโบครณีซึ่งตั้งอยู่ด้านนอกพระจิตวันจึงถูกแผ่นดินสู่ในที่นั้นนั่นเองบังเกิดในอเวจีมหานรกแล้วจบประโยคเรื่องพระเทวทัต จบเจ้ประโย